ผู้ทั่วสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่ครบคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของสัมสีตสนท น, นารายการที่จะทําให้ท่านได้เกิดแตกฉานในคําสอนของพระศาษษษสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรามากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ทําให้ชีวิตของเรานั้นมีที่พึ่งที่ถูกต้องเป็นที่พึ่งอันกเกษมพาพวกเราทุกน้อยจนถึงพ้นทุกได้ โดยมีพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนนะคะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพูททวจนะซึ่งเมื่อวานนั้นท่านได้พูดว่าคําว่าเปิดธรรมเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามาบัญญัติธรรมขึ้นเองพระพุทธองค์เนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ผู้ที่เป็นสาวกนะคะก็นําเอามาอธิบายขยายความในสิ่งที่ท่านได้สอนเอาไว้แล้วเราไปนมัส ก, การพระอาจารย์ภบูบุญพร้อมๆกันนะคะนมัส ก, การกันทั้งคะ่ะเจริญพรค่ะวันนี้ก็ เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านจองเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะถามต่อเรื่องที่ท่านให้ความรู้เมื่อวานนี้อเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องอุเบกขานะะใช่ใช่ท่านสรุปอทั้งหมดที่ได้พูดไปเมื่อวานสักนิดได้ไหมครับ<ม>เพื่อที่จะให้วันนี้ได้ต่อกันอย่างรู้เรื่องมากายิ่งขึ้นสําหรับผู้ที่เพิ่งมาฟังค่ะก็คือตัวอุเบกขาเนี่ยหมายถึงการวางเฉยแตนะ่ซึ่งมันมีความละเอียดที่แตกต่างกันกับว่าทุกขมสุขเวทนาอยู่ะทุกขมสุขเวทนานั้นจะจะมีผัสสะที่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุข คือความรู้สึกที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ันนั้นจะเป็นอัตุกรมสุขเวทนาแต่ความวางเฉยนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งละเอียดลงไปกว่าแล้วก็ยังได้พูดถึงเหตุเกิดของของ o ุเบกขานั่นก็คือเรื่องของสมาธิด้วยอันนั้นก็คือเรื่องของการที่เรามีจิตเป็นโรแมันเดียวการเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีอุเบกขาก็จะเกิดขึ้นแล้ได้พูดถึงผลของตัวอุเบกขาด้วยว่าจะเป็นไปในการที่ เป็นองค์ของฌา น, นสมาธิในขั้นที่สามที่สี่จะทําให้เข้าสู่สมาบัติที่ลึกซึ้งในขั้นถึงของอรูปได้เป็นไปเพื่อโพชฌงได้เราก็ได้รู้พูดถึงข้อเสียของเขาแต่ก็คือความที่เขาไม่เที่ยงแต่ความที่อุเบกขาไม่เที่ยงนี่แหละเป็นข้อเสียของเขาค่ ะ, ะมีข้อดีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ข้อเสียเนี่ดูเหมือนกับท่านบอกว่าพระพุทโธตรัสไว้อย่างเดียวคือไม่เที่ยงใช่มีมากกว่านี้อีกไหมคะที่ยังไม่ได้พูดค่ะมีเท่านี้เลย โอ้รปทรงตรัดไว้แต่เพียงเท่านี้ข้อเสีย<ะ>ค่ะนี่คือลักษณะของธรร ม, มานะคุณโยมติว๋วคือถ้าเราเปรียบเทียบในระหว่างความสุขประเภทใดประเภทหนึ่งนะีก็จะแบ่งเป็นสองส่วนในะสุขประเภทที่ว่ามีความสุขน้อยแต่ทุกมากอันนี้คือส่วนที่หนึ่งสุขที่เรามี ค, ความสุขมากแต่ทุกน้อยอันนี้คือส่วนที่สองในส่วนแรกเนี่ยคือพวกของกาลางในตาหูจมูกลิ้นกายสุขไหมสุขอยู่แต่น้อยนิดเดียวแต่ว่าโทษที่มันพ่วงมาเนี่ยมหาศาล อ้าวแล้วความสุขที่เป็นสมาธิล่ะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่อุเบกขาพวกนี้นะสุขมากกว่าทุกมันนิดเดียวทุกคืออะไรนิดเดียวที่พูดถึงเนี่ยคือความที่มันไม่เที่ยงนี่คือตรง น, นี้เท่านั้นเองค่ะนะคะ <c oughs> ก็ความสุขของฌานสุขมากกว่าแต่ไม่เที่ยงใช่ค่ะยีนี่พอท่านพูดถึงอุเบกขาข้อเสียของมันไม่เที่ยงเนี่ยที่ฉัเคยได้ยินอ่าผู้ปฏิบัติบ า, บางคน เจอหน้ากันก็คุยกันน ะ, นะคะว่าใครทําอะไรกันบ้างเขาก็บอกว่าสําหรับตัวของเขาเองเนี่ยอ hmm. อืม่าทําอุเบกขายอย่างเดียวโอ oh. งั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วโอกาสที่จะบรรลุธรรมมีไหมคะคนที่คนที่อุเบกขายอย่างเดียวเนี่ยแล้ะดิฉันก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าเขาใช้ <laughs> <c oughs> การกระทํานั้นทํำยังไงอะไรมาใช้หมดอะไรเงี้ยไม่รู้สึกไม่รู้สมอะไร uh. กับอย่างอื่นหรืออย่างไรคะ่ะ การที่เขาจะเอาคำพูดของเขาไปหมายว่าเขาวางอุเบกขาอย่างเดียวเนี่ยก็คือการที่เขาไม่คือการที่เขาวางเฉยในภาษาต่างๆที่มากระทบแต่คือทําได้หรือเปล่าไม่รู้นะทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่พยายามที่จะทําให้ได้ใอ้ใความพยายามเขานี่เป็นสมาวยมาระล่ะแต่บางทีก็อุเบกขาได้บางทีก็อุเบกขาไม่ได้บางทีก็ดีใจบ้างบางทีก็เสียใจบ้างก็อาจจะเกิดขึ้นได้การที่เขาพยายามทําอย่างนี้ถามว่าจิตใจเขาจะบรรลุทาได้ไหมได้แน่นอน นะเพราะอะไรเพราะอุเบกขาเอาพุทธพจนะ์ะพุทธพจนะ์อุเบกขาเนี่ยเป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรูธ้ธรรมองค์ธรรมแห่งการตรัสรูธ้ธรรมคือโพชฌงหนะ ม, มายความอะไรหมายว่าองค์ประกรอบที่จิตเนี่ยจะต้องมีเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะก้าวลงสู่วิมุตได้คือถ้าจิตเขามีองค์ประกรอบนี้คืออุเบกขาจิตเขาเพร้อมที่จะจะบรรลุธรรมได้แน่นอนค่ะท่านบอกว่า สามารถบรลุทำได้เพราะว่าอุเบกขาคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรม<ช>คือโพชงนะคะโพชงโพชงเจ็ดดิฉันได้ยินอย่างเงี้ยประจําโพชงทั้งหมดมีเจ็ดใช่ไหมคะถูกต้องเจ็ดอย่างแปลว่าองค์ธรรมที่จะตรัสรู้เนี่ยมีเจ็ดอย่างเจ็ดอย่างเนี่ยจะเหมือนอริยมรตมีองค์แปดไหมคะว่าคือต้องกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือว่ามีองค์ใดองค์หนึ่งก็องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ถูกต้ององค์ใดองค์หนึ่ง ก, ก็เพียงพอเช่นว่าถ้าเรามีอุเบกขา แล้วมันจะตรัสรู้ทำไงถ้ามีอุเบกขาเอาก็ถ้าคุณมีอุเบกขาเนี่ยนะแล้วคุณอาศัยความวิเวกก็นะคืออาศัยการที่จิตนั้นมันไม่ได้มีการพยาบาทเป็นเบียนะจิติตวิเวกนะเราก็เห็นความไม่เที่ยงนะเห็นความดับไปนะเห็นความจ า, างคลเห็นความดับไปของอะไรก็อาศัยอุเบกขาอยู่เนี่ยมีภาษาใดใดมาเห็นความจางคลเห็นความดับไปของสิ่งนั้นนะแล้วก็วางให้ได้ในการปล่อยวางตรงนั้เนี่ยก็คือคุณจะบรรลุได้ ค่ ะ, ะนั่นแปลว่าอุเบกขาที่สาคัญมากขึ้นมาทีเดียวเมื่อรู้แล้วเราก็ถ้าพูดถึงองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมอ่ะอุเบกขาแล้วมีอะไรอีกถ้าพูดถึงเรื่องของปีติก็ได้นะปีติก็เป็นปีติสัมโพชงจะเป็นองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมที่ชื่อว่าปีติก็ได้แต่ก็แบบเดียวกันคุณมีปีติใช่ไหมคุณอาศัยความที่จิตมีความวิเวกนะเห็นความจางไกลเห็นความดับไปของอะไร ก็ในขณะที่จิตมีปีติเนี่ยมีภาษาอะไรมากระทบก็เห็นความจางคลายเห็นความดับไปของภาษานั้นๆแล้วแหละล้วก็วางให้ได้นจะอาศัยตรงนี้เป็นบาฐาลในการวางได้ค่ะอได้มาสองพจน์ชงละปีติอุเบกคายังมีองค์ธรรมอื่นๆอีกแต่ว่าเราพูดอถ้าจะพูดให้ละเอียดก็ต้องพูดว่าขณะเนี้ยเรากําลังอยู่ในเรื่องของอุเบกค า, คาที่ข้อไม่ดีคือความไม่เที่ยง เด็กก็เลยมากราบเรียนถามว่าเอ๊ะลัคนิธีนบางคนเขาจะเจริญอุเบกขาอย่างเดียวนะคะใช้คาว่าเจริญได้ไหมท่านถูกต้องถูกต้องใช้เป็นศัพท์ที่ถูกต้องนะคะและสามารถปฏิบัติจนบรรลุได้ไหมท่านบอกได้เพราะว่าสามารถจะเอาอาริยมรรคมีองค์แปดเข้ามาืมเข้าม า, า, มาได้จะดได้ ท, ทีนี้อย่างคนที่เขาเจริญอุเบกขาอย่างเดียวเนี่ยถามว่าบางทีเขามีจีจัดไหมถ้าคุณโยมติ๋วไปแอบดูเขาเวลาเขาเผลอเนี่ยนะ เขาก็คงจะมีบ้างถือว่าคือถ้าถ้ามันอยู่ที่ว่ากําลังในการปฏิบัติเขาเป็นอย่างไรเนี่ยนะเขาจะริยนอุอเบกขาอย่างเดียวบางทีเราทดสอบตรงนั้นตรงนี้เขาอยู่ในสถานการณ์ประจําวันถูกขับรถเฉียวชนบ้างอาจะจะแบบมีตื่นเต้นกึกกักบ้างไงซึ่งบางทีมันก็ได้อุเบกขาบางทีมันก็ไม่ได้เฮ้ยทาไมมันไม่ได้ตลอดนะทําไมมันได้บ้างบางครั้งไม่ได้บ้างบางครั้งนี่แหละคือความไม่ดีของมันทําไมบางทีเขาหงุดหงิดทําไมบางทีเขาไม่พอใจบางทีเขาพูดไม่ดีขึ้นมา อาจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะถ้ามันดีจริงมันก็ต้องอยู่ตลอดอะ่ะแต่มันไม่ได้ไงมันจึงเป็นความไม่ดีของอุเบกขาอ๋อคือถ้าคิดแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันใช่เลยนะคะใครจะวางเฉยได้ตลอดถ้าวางเฉยได้ตลอดดิฉันเข้าใจว่าคงขาดองค์ประกอบของความเป็นคนขอประทานโทษกันรู้สึอกอย่าง น, นั้นจริงๆคือเหมือนคนเนี่ยมันต้องมีขึ้นๆลงๆนิดๆหน่อยๆนะคะไม่มากก็น้อยอะส่วนมากก็ถ้ามีมากเอถ้ามีมากก็เป็นลักษณะเด็กนะเด็กที่แบบ ยังไม่โตอ่ะจะกินจะเล่นมันก็บอกไม่ได้ว่าไม่ฟังใช่ไหมแต่ถ้าโตแล้วนี่มันก็ควบคุมได้มากขึ้นนะโตแล้วถึงระดับไหนเนี่ก็ถ้าโตเป็นถึงความเป็นประเสริฐนะถึงความประเสริฐความดีงามอาอยุาน้อยคุณต้องรักษ า, ษาสี่ห้ได้นะอันนี้คือเกณฑ์มาตรฐานแล้วที่เราต้องต้องมนะีเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของความเป็นคนอย่างที่คุณโยมติ ว, ว่าเนี่ยก็ต้องมีขึ้นขึ้ น, นลงๆบ้างนะจะมี พูดเนี่ยบ้างก็อยู่ในกรอบของสมาวาราอยู่ในกรอบของสมารกรรมตะตอย่างน้อยขอให้อยู่ในกรอบตรงนี้แต่ชี้ว่ายังเป็นคนประเสริฐอยู่ยังเป็นคนอยู่ค่ะงั้นถ้าจะว่าไปอุเบกขาที่จะพาให้บรรลุธรรมได้เป็นอุเบกขาสัมโพธชงก็ต้องเป็นอุเบกขาในภายในถูกไหมคะ อ, อ๋อถูกต้องอุเบกขาในภายในก็มีนะอุเบกขาในภายนอกก็มีนะบรรลุธรรมได้เหมือนกันเหรอคะใช่ นกุเบขานี่พระพุทธเจ้าแยกเป็น2 อ, อย่างคือในโพชงเจ็เนี่ยในข้อที่เจ็ดกุเบขาเนี่ยก็แยกเป็น2องนัยยะคืออุเบคออานในภายในก็มีอุเบคานในภายนอกก็มีอ๋อเหรอคะที่ฉันพูดไปนี่ไม่ทราบเลยนะคะว่าเป็นการแบ่งอย่างนั้นนี่พูดตามความเข้าใจของตัวเองอ๋อนี่เป็นพุทธพลนะอ๋อค่ะอุเบขาที่ในภายในกับอเบคาที่ในภายนอกเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้อันนี้เป็นพุทธผลนะขงหยมเตียวแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าแม้ความวางเฉยในธรรมทั้งหลายในภายใน ก็เป็นอุเบกาสัมโพชงแม้ความวังเฉยในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เป็นอุเบกาสัมโพชงในด้วยปริยาอย่างนี้นัอุเบกาสัมโพชงถึงเป็น2อย่างแต่คือไม่ใช่ว่าอุเบกขาเกิดภายนอกนะแต่อุเบกขาเกิดภายในนั่นแหละในใจของเราจากไหนจากธรรมที่อยู่ในภายในหรือจากธรรมที่มาจากภายนอกขอฟังไปอีกครั้งหนึ่งนะแม้ความหวังเฉยในธรรมทั้งหลายในภายในก็เป็นอุเบกาสัมโพชงแม้ความวังเฉยในธรรมทั้งหลายในภายนอก ก็เป็นอุเบกขาสัมโพชงนะพรัะฉะนันทมบางอย่างเกิดขึ้นในภายในเช่นอะไรเช่นความคิดเช่นความรู้สึกเช่น อ, อารมณ์ที่เกิดขึ้นในภายในของเราแล้วเราวางเฉยไดนะ้วางเฉยก็คือจิตไม่เข้าไปเกลือกลัวไม่เข้าไปยินดียินร้ายตามความคิดความนึกในใจของเราอันนี้เป็นอุเบกขาที่เกิดขึ้นจากธรรมในภายในอ้าวฝนตกแดดออกคนนั้นว่ายอย่างนี้พูดอย่างนั้น นี้เป็นธรรมจากภายนอกแล้วเราก็วางเฉยได้อันนี้ก็เป็นอุเบกขาส่วนที่สองพระพุทาแบ่งไว้อย่างนี้ค่ะอ๋อจากภายนอกคือคือภายนอกจริงๆอ่าภายนอกกายของเราค่ะอืมก็เป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ได้ใช่ดังนั้นที่เมื่อสักครู่ท่านได้พูดมาถึงว่ามันทําได้ยากนะที่ว่าไม่เที่ยงเพราะว่าอ่าเจอกับการกระทบ อย่างนู้นอย่างนี้ขับรถไปเจอคนปาดหน้าเราอะไรนี่ก็ถ้าวางเฉยได้นี่เป็นอุเบกขาจากธรรมที่เกิดจากภายนอกถูกไหมคะถูก ต, ต้องนะคะก็ค่ะตรงนี้วิธีแก้มีอยู่แต่ถ้าจะพูดถึงว่าอย่างาไรคะ่ะสมมุติเรามันมันทําไม่ได้อ่ะเกิดอุเบกขาไม่ได้แต่วิธีแก้ตรงนี้ก็คือว่าเราให้เห็นความไม่เที่ยงเลยให้เห็นความไม่เที่ยงเลยว่าอุเบกขาดูสิโอ้โหบางทีมันก็เกิดนะบางทีมันไม่เกิดนะเนี่ยเป็นปัญญาขึ้นมาได้ทันที แม้แต่ถึงแม่อุเบกขาจะไม่เกิดก็ตามเราก็ยังมีปัญญามองเห็นว่าโอ้ความความไม่ดีของมันนะเนี่ยนะอย่าให้ไปหงุดหงิดไงเพราะว่าถ้าไปหงุดหงิดแล้วแสดงว่าจิตคุณข้ามไปในโดเมนไปในกุศลธรรมละไปในโดเมนที่ไม่ดีละเอายังจะทํายังไงให้มันเบรกอยู่ได้ในเมื่ออุเบกขามันก็ไม่อยู่แล้วแล้วก็ใช้ปัญญาซะใช้ใชปัญญาในการเห็นความไม่เที่ยงของมันคนจะทําอย่างนี้ได้ก็ต้องมีความชํานาญนะคุณยมติว๋ว ถ้ามันไม่ได้แล้วมันจะแก้ตรงนี้ด้วยวิธีนี้ได้ทุกคนอาจจะไม่ได้แก้ได้ด้วยวิธีนี้แต่อันนั้นท่านกำลังจะพูดหมายถึงว่าคนถ้าฝึกปฏิบัติมาดีแล้วเนี่ยจะโดยอัตโนมัติที่จะสามารถนำเอาปัญญามาใช้ใชได้ทันท่วงทีใช่เขาก็จะต้องมีสติ ต, ตรงนี้แหละค่ ะ, คะถ้าบางคนยังเกิดความรู้สึกว่าเราทำได้ไม่จำเป็นต้อง นั่งสมาธิม า, มากเนี่ยสั่งได้เลยลองไปทําดูนะคะอืแล้วมาเล่าให้เราฟังว่าทําได้หรือไม่อย่างไรถ้าทําได้เราก็จะได้แสดงความชื่นชมส่วนถ้าทาไม่ได้ก็จะได้บอกว่านี่ไงเห็นไหมความไม่เที่ยงนะคะ <laughs> ตามที่พระพุทธองค์ตรัสวันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งมีอะไรที่จะให้ความเข้าใจมากขึ้นอีกไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของอุเบกขาค่ะท่านค่ะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในองค์ของมารก่ก น, นะเพราะฉะ น, นั้นเนี่ย เอออย่าไปคิดว่าเอ้ยมันมีข้อไม่ดีแล้วเราจะไม่ทําไม่ใช่แต่ให้ทํามากๆค่ะบานที่มันมีที่ผิดพลาดแล้วก็ค่อยแก้ไขทําให้มีความชํานาญพระพุทธเจ้าใช้ใช้ว่าให้ทําให้เจริญนั่นเองค่ะท่านคะท่านบอกเป็นหนึ่งในองค์ของมรคอยู่องค์ไหนคะท่านคะเอมันก็อยู่ในเรื่องของสติไงอ๋อถ้าจะพูดเพราว่าสติฐานสี่ใช่ไหมมันไปโพดชงเจ็ดแต่อุเบกขาก็อยู่ในโพดชงนี้อ๋อเพราะว่าเดี๋ยวฉันก็ซื่อมากนะคะ <laughs> คิดว่ามีแค่ 8, <laughs> แปดจะคิดตรงตัวเลยว่า ทิฏฐิสังกปะว่าจ้ามันนนนนอััไหกมนนนะมันตะวิริยะวา่าอะไรนะคะวา ย, ว า, ยามะาสติสมาธิอยู่อันไหนกันแน่ปรากฏว่าไปเป็นอยู่ในสติสมาสตินะคะอืนี่ค่ะท่านฟังคะพูดถึงธรรมะของพระสาสดาเนี่ยเมื่อเราศึกษากันไปเรื่อยๆที่ท่นว่าสนุกนะคะคือเหมือนก็มีความท้าทายมาให้เราที่คิดว่าเข้าใจแล้วนะ่ะมันไปต่อได้เรื่อยๆไปต่อได้เรื่อยๆ ดีฉันเพิ่งมีเพื่อนโทรศัพท์มาเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้าจะมาจัดรายการกับท่านนะคะเมบานอ่าเป็นนักการเมืองอยู่ภาคเหนือโทรมาระล่ำระลักเลยว่าหลังจากที่สนใจคำสอนของพระพุทธเจ้านะี่ะนะทราบซึ้ง ม, มีความสุขมากไปต่อได้เรื่อยๆอในความรู้ของธรรมะของพระศาสดาเดี๋ยวฉันก็ได้แต่อนุโมทนาด้วยดีใจด้วยจริงๆเลยที่เขามีเวลาว่าง แล้วก็ได้ใช้ไปกับในสิ่งที่เกิดประโยชน์ทั้งกับตนเองแล้วก็กับผู้อื่นตรงตรงที่เส้นทางที่เขาบอกว่าไปต่อได้เรื่อยๆนี่นะทางตรงเนี้ยเนะี่ยคือมาร์นั่นเองนะมาร์กไวว่าทางค่ะเส่็จๆตรงนี้ก็เป็นทางสายกลางด้วยเนะี่ยเป็นทางที่จะพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์แล้วมันก็เป็นทางเดียวกันกับที่เราทำมาหากินมันก็เป็นทางเดียวกันกับที่เราอยู่ในครอบครัวทางเดียวกันกับทางทำเป็นทางเดียวกัน เร่งแปลกใจมากนะคะว่าในบรรดาความรู้อื่นๆที่เรารู้เนี่ยได้สังเกตจริงๆนะคะว่ามีหลายอย่างมากเลยเราไม่เห็นเราอยากจะบอกให้ใครรู้แบบจะต้องบอกให้ได้จะต้องอ่าทําการเผรยแพร่ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะเช่นอาจจะไปส่งเสริมสนับสนุนทําบุญกับทางาวัดที่สร้างสื่อต่างๆเผยแพร่ หรือว่าทําอย่างที่ดิฉันทาอยู่ในขณะเนี้นะคะเท่ากับธรรมะของพระศาสดาค<อ>ือพรู้แล้วอยากบอกต่อค่ะใช่อันนี้เป็นพุทธคุณนะพุทธคุณหนึ่งเดี๋ยเชิญเข้ามาพิสูจน์เชิญมาพิสูจน์เอันนี้เป็นหนึ่งในพุทธคุณแลเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรารู้ธรรมะใดธรรมะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าจะเขี่ยมาไว้เก็บเอาไว้นี่ของฉันเท่านั้นเนี่ยจะไม่บอกใครเฮ้ยนั่นไม่ใช่แล้วนะแต่ว่าคุณมาผิตังแต่แตว่าอันนั้นไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ธรรมะแต่ถ้าบอกว่าเราเรารู้แล้ว ยกตัวอย่างเช kind of ่นว oh, right. well, no right. <laughs> like ่า <sak> ค <ın> mm ุณ hmm. ม mm ีวัตถุมงคลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะโหอันี้ฉันอยากเก็บไว้คนเดียวแตสดงว่านั้นไม่ใช่ธรรมะเน่ยเข้าใจเนาะมันมันไม่ใช่อ่ะเพราะมันไม่มีคุณสมบัติของการเชิญเข้ามาพิสูจน์เนีฉันมีเพื่อนค่ะอืมมีวัตถุมงคลอ่ะอมออยากเก็บไว้คนเดียวรึเปล่าไม่ทราบแต่รู้สึกว่าไม่หาตัวเลยเขียมมากเหนี้ยวมากอืมเป็นเรื่องประหลาดมากนะคะคือเหมือนกับว่าเขาจะมีกระเป๋าอยู่ใบหนึ่งใส่วัตถุมงคล ซึ่งมีน้ำหนักมากอยู่ออข้างตัวตลอดเวลาไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอืค่ะอย่างนี้อย่างนี้จะถือว่าไม่ใช่นะคือถ้ า, ถ, าถ้าหายแล้วเขาจี๊ดไหมหรยวถ้าหายเขาจี๊ดไหมถ้าหายแล้วเขาจีด๊ดแสดงว่าเขาเหนียวยังมีความตระลีงตรงนั้นมันไม่ใช่ละ่ะความตระนีงไม่ใช่ทํามาตรงนีถ้ถ้าอย่างนั้นเลี้นเห็นเขาเรียกว่าอะไรคะพวกนักเลงพระอะค่ะ ที่เขาจะมีการเช่าพระกันบางทีแลกบ้านเป็นหลังหลายๆล้านได้เลยอย่างเงี้ยนะคะเออแล้วอย่างงก็ต้องห่วงแหนกันมากบางทีมีการค่าช่วงชิงกันด้วยนะคะก็คงก็คงจะเป็นอีกแนวหนึ่งไปนะแต่ทีนี้ทีนี้ถ้าเป็นธรรมะจริงๆเนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือว่าจะเชิญคนเข้ามาพิสูจน์แล้วก็เวลาให้ไปเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่าแบบเราเสียอะไรไปจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่คือสมมุติถ้าเราให้พักเรื่องไปเนี่ยเฮ้ยเราเสียไปนะ อันนี้แสดงว่าอันนั้นไม่ใช่ธรรมะแต่ถ้าเราให้พลักเครื่องไปเพราะเราวางแล้วี๋ยวเราเราปล่อยแล้วเราแบบไม่สนใจให้ไปก็เอาไปฉันก็ไม่ได้รู้สึกเสียอะไรไปสมรู้สึกเบาขึ้นเออแสดงว่านั่นเป็นธรรมะนะค่ะอ่าเพราะนั้นธรรมะก็อาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้ก็อยู่ที่ว่าจิตเขาเป็นยังไงกับสิ่งนั้นนะวัตถุมงคล น, นั้นนะค่ะงั้นถ้าสมมติว่าอย่างที่การให้อย่างอื่น ที่เราให้ไปแล้วแหมเรามีความสุขมีความอิมอ่มเอิบมีความปีติถือว่าเป็นธรรมะได้หมดเลยใช่ไหถูกต้องถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันให้ไม่มีหมดนี liche, ค่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าให้แล้วเราไม่รู้สึกว่าเราหมดไปให้เราไม่รู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเสียอะไรไปนี่คือเชิญเข้า bon มาพิสูจน์ัรงนั้นเลยนะะมัน ม, มันเหมือนกับการต่อเทียนอ่ะให้เราให้เขาต่อเทียนเนี่ยเราก็ไม่ได้เสียเทียนของเราไปนะความสว่างเราไม่ได้ลดลง แต่ถ้าเขามีเทียนฉันมีเทียนเฮ้ยมันสว่างมากขึ้นนะห้องเนี้นี่คือลักษณะของธรรม ะ, ะยิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญยิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญเราก็กําลังพยายามบอกต่ออยู่เนี้ย น, นะคะว่าอ่าธรรมะในหัวข้อของอุเบกขาเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเราจะได้เข้าใจกันอย่างท่องแท้มากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันอุเบกขาแล้วฉันไม่ออกไปทำอาหากินแล้วฉันจะอยู่ของฉันอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ อย่างนั้นก็ถือว่าชีวิตกําลังตกอยู่ในความสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งอันนั้นยังไม่มีธรรมานุธรรมปฏิปติปตต่คือการาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอันนี้อันนี้ข้อนี้เราก็ได้พูดไปด้วยนะยังไม่ได้ขยายความมากเท่าไหร่คือ ร, รบกวนขยายความเลยดีไหมคะคือหมายความว่าในธรรมะที่บุเช่าสอนไว้ห ม, มดทุกอย่างเลยเนี่ยมันก็ต้องมีบางจุดที่เราเอามาใช้นในบางที่อันนี้เป็นลักษณะของการที่เรารู้จากเหตุรู้จักผล นั่นคือธรรมัญยุตาแล้วก็อัถัญยุตาดนรู้จักเหตุรู้จักผลว่าเอ๊ะในจุดนี้เราจะเอาธรรมะหมวดนี้มาใช้เพื่อมันถูกต้องแต่เช่นว่าถ้าผมว่าเรายังครองเรือนอยู่อย่างเนี้ยคุณบอกว่าเอ้ะฉันครองเรือนอยู่นะเราก็มีสามีมีภรรยามีครอบครัวก็ต้องทํามาหาเลี้ยงครอบครัวบางทีจะมาแบบถือศีลแปดนะบางทีภรรยานะโหแบบทราบซึ้งในธรรมะม า, มากรักษาศีล8เลยบางทีสามีก็ ไม่ไม่แฮปปี้น ะ, ะ <c oughs> ก็จะต้องก็จะต้องรักษาสีที่มันถูกต้องตามตามระบบนะ <c oughs> บางทีเราเ อ, อต้องไปสังคมก็ต้องแต่งหน้าตาปากอแต่งตัวบ้างอาจะไปซอมซ้ อ, ออกไปมันก็ไม่ใช่ค่ะะ <c oughs> ก็ต้องรู้จักเลือกให้ถูกแยนะ่ตรงนี้คือส่วนที่เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปติท่านค่ะอดิฉันถามนี่ถามจริงๆเลยนะคะไม่ได้ถามให้ตลกทีนี้ถ้าเกิดทําไม่ได้บางข้อเองอย่างกับศินแปดอย่างเงี้ยนะคะออื ยกตัวอย่างเช่นข้ออื่นทําไม้หมดยกเว้นต้องออกไปเจอชาวบ้านเนี่ยหน้าซีดเป็นอะไรไม่น่าดูก็ไม่ดีขอถือสีนจัดได้ไหมคะเออได้ได้ได้ไดนะ้คือเราก็มาหยุดที่ความปกติของอะไรแต่นะที่ว่าความเป็นคนโดยปกติเนี่ย เ, เช่นโดยปกติมนุษย์เราก็จะดื่มน้ํแนตะ่านะั้นการที่คุณไปดื่มสุรามันเป็ผิดปกตนะิโดยปกติมนุษย์เราก็จะมีผัวเดียวเมียเดียวแต่การที่คุณไปมีสองผัวสองเมียมันก็ไม่ถูก แนความปกติ <Okay. S 1> ที่พูดถึงนี้คือสีหนเท่านั้นเองสีแป <Okay. S 1> ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือเป็นปกติของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ <Okay. S 1> แต่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยเป็นนักบวชเนี่ยเขจะไม่แต่งหน้ากัน <Okay. S 1> นะแต่ถ้าบอกว่าเราเราก็รักษาในระดับของความที่เราอยู่ตรงนั้น น, นะถ้ายังเป็นค <Okay. S 1> ารว่าผู้บริโภคกา ร, รมก็สีหน้าถ้าเป็น <Okay. S 1> ผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นนักบวชก็สีแปเป็นอย่างน้อยคือที่ดิฉันถามอย่างนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าเหมือนกับ คงจะมีคนจํานวนมากทีเดียวนะคะรู้สึกว่าอยากจะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทีนี้ที่ข้อแต่งหน้าที่ได้กราบเรียนท่านเนี่ยบางทีมันไม่ได้หมายความว่าแต่งเพื่อสวยของตัวเองนะคะแต่แต่งเพื่อตัดปัญหาคนทักทายแล้วนะคะ<อ>คนบางคนเนี่ยแต่งหน้ามาจนชินจนกระทั่งไม่แต่งหน้าแล้วหน้าตาน่าสงสารมากแล้วก็อาจจะทําให้คนอื่นเป็นห่วงว่าเอ๊ะป่วยไข้ไม่สบายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะ<อ>ก็ในระหว่างนั้นอาจจะ ถือนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปฏิบัติอย่างยิ่งยวดยกเว้นยังต้องอดําเนินชีวิตตามปกตินะคะอันนี้ก็ไม่ได้เลยขอสักข้อไม่ได้แต่งเพื่อเพื่องามเหตุผลของการไม่ได้แต่งมีพูดไหมถ้าไม่แต่งเพื่อความงามอะไรเงี้ยในพุทธพจน์นะคะมีบอกไว้การเต็มเต็มว่าไงคะท่านอาจารยการรูปไล้์ประดับประดาเครื่องรูปไลฟ์รูปทาในฐานะแห่งการแต่งตัวอนี่เป็นพุทธพจน์เลยในฐานะแห่งการแต่งตัว ในข้อที่ทัดสวงประดะับประดาตกแต่งของหอมเครื่องรูปไล่รูปทาในฐานะแห่งการแต่งตัวอันนี้ก็คือคือถ้าเราทำไม่ได้ก็ อ, อย่างเช่นว่าบางทีผิวมันจะแต่มันก็ต้องทาน้ำมั น, นช่วงนี้อากาศหนาวถ้าไม่ทานี่แก้มมันก็จะแบบแตกเลยล่ะเราก็ต้องทา นะคะว่าที่ทําเนี่ยทําอ่าด้วยเหตุผลแค่ไหนเพียงใดจะ<ช>ก็พิจารณาให้สมควรออย่าให้มันออกนอกแนวมากเกินไปอถูกถูกถูกค่ะ <c oughs> นะคะก็นมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ให้ความรู้กับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุดท้ายที่ทานพูดถึงธรรมานุธรรมะปฏิปฏิเนี่ยนะคะก็หน้าที่จะท่องกันเอาไว้เลยธรรมานุธรรมะปฏิปติ แปล ง, ง่ายๆเป็นภาษาไทยว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเจิญปานทุตังค่ะกอนมห ก, การขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งสําหรับการให้ธรรมะกับพวกเราที่ฟังรายการสัมมนาสนสทนา ด, ดําเนินรายการโดย ส, สัสมนาหน้าพงไว้ในโอกาสนี้นะคะนมสักการกัะท่านคะเจิญปานกาบท่านฟังที่รครคบ่ะหมดอีกสัปดาห์หนึ่งเราก็จะพักกันในวันเสาร์อาทิตย์สําหรับการที่ท่านจะได้ฟังธรรมจาก พระจาจาร์บบัวซึ่งอยู่วัดป่าดอนหายโุดอนธานีที่สถานีวิทยุแห่งนี้นะคะติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้พื่ทัาวสวัสดีค่ะ